10. มูลายะวิสุทธินวกะว่าด้วยความหมดจดจากอาบัตเดิม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างละกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้าง ภิกษุนั้นขอสมุทานริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมุทานริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้ละมีจํานวนนับได้ปิดไว้ละ มีจำนวนนับได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสง์สงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบธรำไม่กําเริบควรแก่ฐานะให้สโมโอทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอัิพานโดยชอบธรรม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 เพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สโมโทรานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้ละมีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้ละมีจํานวนนับไม่ได้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 ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ออย่างเดียวกันบ้างละกําหนดได้บ้างกระจายไปบ้าง ภิกษุนั้นขอสมโมทาน์ปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมโมทาน์ปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้ละมีจํานวนนับได้บ้าง มีจํานวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้ละมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่กาเริบควรแก่ฐานะ ให้สมโมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอับพานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้นมูลายะวิสุทธินวกะจบ